เศษนี้เป็นเครื่องรูบไล้อันประเสริฐเครื่องลูบไล้ก็คือเป็นเครื่องอะไรเป็นเหมือนแป้งถ้าร้อนๆก็าทาแป้งกันร้อนได้ไหมให้เย็นลงไปต้นเนี่ยนะทำให้เนื้อตัวไม่เหนียวเหนอะหนะการใช้แป้งเพื่อประโยชน์เหล่านั้นฉันใดเครื่องรูบไล้ที่จะรูบเรือนกายเรือนใจเสมอด้วยเีษเป็นไม่มีเีษเนี่ยนะรูบไล้ได้อย่างเยือกเย็นที่สุดนะทาให้จิตใจในี้สงบเยือกเย็นลงบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีษ ตัวศซนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศเซนเนี่ยเป็นสเสบียงอันเลิศเป็นเครื่องเป็นอุปกรณ์ในการเดินทางเป็นอาหารทางสเบียงทางที่เยี่ยมเท่ากับศีนไม่มีคนที่มีสเบียงทางไม่ต้องกลัวอดอยากใช่ไหมผู้ที่มีศีนก็ฉันนั้นเซนเนี่ยจึงเป็นสเสบียงที่ที่คอยทําให้เราทั้งหลายเป็นผู้ไม่เดือดร้อนที่เยี่ยมที่สุดเป็นพาหนะคือเป็นยานที่ประเสริฐยิ่งนัก อย่างยานในโลกนี้ก็แบ่งเป็นอะไรยานน้ํายานบกและอากาศยานแบ่งเป็นสามยานเหล่านี้ใช่ไหมยานเหล่านั้นเนี่ยนะไม่มียานไหนพาพ้นอบายหรอกนะเนี่ยแต่ยานที่ทําให้พ้นอบายจริงๆก็คือยานคือศีลที่เนี่ยนะผู้มีศีลจะไปยานไหนก็ไม่ไปสู่อบายแต่ผู้ทุศีลจะไปยานไหนก็อบายอย่างดีเอ่ออบายทุกทีไปเพรันศีลเนี่ยจึงเป็นพาหะอย่างประเสริฐเป็นเครื่องอ่ะนะที่จะทําให้พ้นจาก ทะเลแห่งวัตทุก์โดยเฉพาะอบายไดเศรีเศรีเนี่ยเป็นเครื่องหอมฟุ้งไปทุกทิศน้อยทิศใหญ่ทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างเนี่ยทิศน้อยทิศใหญ่เนี่ยนะที่สานุทิศคือทิศน้อยทิศใหญ่ทิศข้างหน้าทิศข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาทิศเฉียงเียงทิศบนทิศล่างเนี่ยนะเศกลื่อนเีเนี่หอมไปทั่วทุกทิศ คนพาลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นในศีลย่อมได้รับการนินทาในเวลามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคนทุศีนี่นะมีอำนาจคนไม่กล้า ว, ว่าต่อหน้าต่อ ต, อตาแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่นินทาของวินยูชนทั้งหลายที่วินยูชนเขาเก็บมาตำหนิมาประรอบเป็นอุทาหรณ์เยี่ยงอย่างใครให้พระเทวทัตเนี่ยนะถูกด่ามาจนถึงทุกวันไม่มีใครถูกด่าได้นานเท่าพระเทวทัตอีกแล้วในโลกนี้ ทุกดาเขาจะนึ่งทุกวันเลยนะเพราะเอาเก็บมาว่ากันพระเทศเมื่อไหรก็พระเทวทัศ น, น, น, น์ไม่ดีนะนะท่นเปลนเซเนี่ยไม่ดีนะคนทุกสีเนี่ยเสียหายมากเป็นชีวิตตอนที่อยู่ในโลกนี้ก็ถูกพระเทวทัศนนี่ถูกเขาว่าไปทุกหัวระแหงหมดเลยเมื่อตายไปแล้วก็ได้รับทุกในอบายโทมนัสในอบายภูมินะได้รับความทุกในอบายภูมิในนรกนะั่นพระเทวทัศ์ท่านบอกว่าตัวท่านนี่ใหญ่มากนะแต่ว่าท่านถูกเสียบเหมือนกับ ประดุกเสียบอะเคยเห็นประดุกเสียบไหมนั่นแหละถูกเสียบแบบนั้นด้วยเหล็กก็เท่าต้นตามเองเนี่ยนะเสียบให้แค่กระดิกไม่ได้ก็พอเนี่ยนแะแล้วก็ถูกไฟพุ่งมาจาก6กทิศก็อยู่คงไม่กี่หมื่นปีะยวก็พ้นแะเนี่ยถ้าเทียบกับวัตอันยืดยาวเพราะฉะนั้นทุกในโลกหน้าเนี่ยนะก็นั่นแ ะ, นนแะเป็นผลของความทุศีลเนี่ยนะทุศีลเพราะว่าผู้ทุศีนก็ทำความชั่วทางกายวาจานนะ และความชั่วทางจิตใจจริงๆถ้าใจไม่ชั่วกายวาจามันไม่ชั่วหรอกวิญญาตมันไม่เลวหรอกถ้ากายวาจามันไม่เป็นขออภัยถ้าจิตชั่วไม่เป็นสมุทฐานให้วิญญาตมันจะไม่เลวหรอกว่างั้นชีวิตในโลกนี้ก็มีแต่ความทุกข์ชีวิตของคนมีปกติฆ่าสัตว์ไม่ใช่เขามีความสุขนะจริงๆเขาทุกข์มากแพจะฆาตหลายคนเวลาฆ่าเสร็จเนี่ยต้องไปไปให้ทานหรือไปทําบุญอย่างไรอย่างหนึ่งก็ได้ มือปืนใจเฮี้ยมทั้งหลายเวลาฆ่าคนเสร็จยังไงต้องดื่มสุราให้มันเมาไมา่มันเครียดมากๆอันนี้เขาเล่ามานะว่าพวกนั้นจริงๆไม่ได้มีความสุขนั้นชีวิตของนักฆ่าทั้งหลายไม่มีความสุขนละเพราะเจตนาก่อผู้อื่นเช่นใดตัวเองก็จะหวาดระแวงเช่นนั้นเพราะคนทุศีลก็หวาดระแวงผู้อื่นว่าคนอื่นเขาจะทุศีลเหมือนเราหรือเปล่าคนอื่นเขาจะเลวเหมือนเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่ทุศีลนี่จริงมากไปด้วยความ หวาดระแวงซึ่งคนมีศีลเขาไม่เข้าใจว่าไอ้ความหวาดระแวงนี่มันเป็นยังไงกลัวตายนี่มันเป็นยังไงแต่คนทุศีลทั้งหลายเนี่ยกลัวมากๆกลัวตายทําเหมือนไม่กลัวแต่จริงๆเนี่ยกลัวตายมากเพราะอะไรเพราะรู้ว่าเดือดร้อนทั้งโลกนี้เดือดร้อนทั้งโลกหน้าทุกทั้งโลกนี้และก็ทุกทั้งโลกหน้าอยู่ในอบายภูมิในทุกขนาดไหนเคยเห็นสุนัขขี้เรือนไหมมันทุกไหมเห็มันทุกนั่นก็อบายภูมินี่ เคยเห็นปลามาทุกไหมปลาที่ทุกดิ้นกระเดาว่าเดวทุกหัวแล้วก็สันนรติเป็นต้นเลยนะก็นั่นก็ทุกในอบายภูมินะแล้วเดชา น, นี่นะยังเจริญมุติตาได้โอ้ยดีกว่านรกนักหนาแล้วเพื่อนเอ้ยเนี่ยนะแกะดีนะที่แกมาเกิดเป็นปลาถึงทุกบ้างว่าไม่นักเท่านรกนรกเนี่ยนะนรกหนักกว่านี้หลายสิบเท่าหลายพันล้านเท่านักเหมือนกันอ่านะีที่เดรชานนีะ่ยังทีมันทุกหัวใช่ไหมแต่หางมันยังกระดิกได้ไม่ทุกขากายญาวิ ญ, ญญาณไม่เกิดที่หาง เกิดเฉพาะแต่ที่หัวแต่นรกความร้อนเป็นหมื่นองศาขึ้นไปทั่วทั้งตัวเนยนะเพราะฉะนั้นยังมีที่เจ็บยังก็ขนาะเดียวกันยังมีที่เบาบ้างแต่อบายนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางคนบอกไม่เชื่อหรอกไม่ว่าครับอีกไม่นานหนาะเนี่ยเพราะคนที่ไม่เชื่อนรกเชื่อไหมเขาจะทําบุญเขามาไม่เชื่อเด็ดขาดถ้าใครที่ปฏิเสธนรกนะอยากคิดนะว่าเขาจะทําบุญคนประเภทนั้นไม่ทําบุญแต่คนที่เชื่อแอบเชื่อนรกในใจแต่พูดอะไรนะพวกปากแข็งทั้งหลาย วันี้ก็เถียงเียงไปยังนั้นเลยทำท่าเป็นเถียงใจจริงๆกลัวแทบตายอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะทําบุญแต่ว่าปากก็ว่าไปอยังงั้นแหละแต่ว่าใครที่บอกว่าไม่กลัวนรกอะไรโดยแท้จริงเนี่ยพวกนี้ไม่ทําความดีเพราะฉะนั้นขอมาบอกก็ได้แต่พยายามห้ามเจริญเมตตายอย่าเพิ่งตายนะขอให้อยู่นานๆเธอบางคนเนี่ยป่วยมา ก, ย, งงกยังไงก็ยังไงก็อย่าตายเลยเนี่ยนะแล้พูดถึงอย่างไงท่านึกถึงเรื่องเปรตวัตถุอยู่เรื่องหนึ่งเขามีไอ ผู้ร้ายคนยนึ่งนะถูกจับเสียบก้นเอาไม้สูงเนี่ยไม้ไม้หลาวเนี่ยนะมาเสียบก้นเลเหมือนกับที่เห็นปละดุกเสียบไมค้คล้ายๆแบบนั้นนะเนี่ยเสียบแล้วก็ก็ยังพูดได้นะเพราะเขาเสียบที่มาแค่อกอ น, นะไม่ให้ตายหรอกเอาแค่เกือบตายก็พอนะนะก็เลยแต่ก็ยังพูดได้ยังกินได้อยู่นะแต่ก็เสียบก้นอยู่นั่นะนะเหมือนกับใครเสียบแมลงปอแบบนั้นนะคยไถูกแมลงปอถูกเสียบมันก็ยังบินได้ <laughs> หลายคนคงเคยทํานีนะนะ ขอมดขออนุมโมทนาบุญด้วยที่ใครไม่เคยทำํำทีนี้พวกนี้มันก็ยังพวกมแมลงปอที่เสียบก้นมันยังบินได้ น, นะแต่ดีทัชชามันคงเคยทําประเภทนี้ในนายคนนี้ก็เหมือนกันถูกเสียบก้นเอาไว้ <c oughs> ตอนเย็นๆเออตอนค่ำค่ ำ, ำดึกๆเปรตจะขี่ม้ามาบอกอย่าตายนะ้จงอยู่เถอะอย่าตายเลยอยู่อย่างนี้ยมันดีแล้วเปรตมาบอกทุกวันว่าอย่าตายนอย่าตายเลยทําไม นรกมันหนักกว่านี้อีกหลายหมื่นเท่านะกเพื่อนอย่าตายเลยอยู่อย่างเนี้ยมันดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคนชั่วป่วยนะไม่ต้องไปแช่งนะก็ตายหรอกเขาจะอยู่ในโลกนี้จะทรมานบ้างก็ยังพอมีเวลามีความสุขใช่ไหมยังมีความสบายบ้างแต่ถ้าไปนรกนี่แหละแต่ว่าอย่างอู้ยหลายคนก็บอกอูยอีกนานอีกนานเคยเห็นคนไม่ตายไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเขาตายแล้วจะไปไหนเขาบอกว่านรกสภาพแบบไหนอันนี้เขามาพูดตามพระเพื่อเจ้านะ เออัดยัดเยียดเหมือนธนานดีบุกธนานดีบุกก็คิดง่ายๆว่าเคยซื้อแป้งเต็มกระป๋องไหมมันอัดกันอยู่แบบนั้นเลยนะแล้วพื้นที่นรกถามว่ากี่ตารางกิโลเมตรก็บอกว่าประมาณหมื่นหมื่นตารางโยธนะแล้วเออัดยัดเยียดอยู่แบบนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกตอนนี้ถ้าไปอัดแล้วนะอัดเม็ดแบบนั้นก็เหลือเท่ากับกระปอ๋องกระป๋องแป้ ง, งฝนอยู่แป้งเดียวเนี่ยโลงนี้ทั้งหมดเนี่ย เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราไปแล้วเนี่ยนรกมันจะอุ้ยมันล้นหมดแล้วไม่มีอนะนะว่างเสมอสําหรับคนไม่ดีเนี่ยนะก็อย่าไปคิดอย่าไปเลยในะไม่ไปมันดีที่สุดแต่ถามว่าถ้าไม่มีศีลนะ อ, อะไรห้ามห้ามนารกเอาอะไรป้องกันนะเอาอะไรป้องกันมันถามหาว่าที่เพิ่งเอาเครื่องเกาะคืออะไรเอาผ้ายันอะไรมาเพราะคนเขียนยันก็ไม่แน่นะเนี่ยเนีคนเขียนยันเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งโอ๊ยเก โรคประสาทไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นยันที่คนโรคประสาทเขียนมันจะเป็นแน่นอน้ะยังไงเนี่ยนะเพราะคนเขียนยันยังเพี้ยนเลยอย่างไงี้ยนะมารู้จักคนอย่างปอ้ยแกเพี้ยนมากวันๆหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยพาฉันไปส่งวัดทีตัวเองนั่งอยู่ในวัดนะเนี่ยบอกคนขับรถมาเอาฉันไปส่งวัดทีคนขับรถก็พาขับไปข้างนอกแล้วก็มาส่งหลงพ่อครับถึงวันแล้วครับเห่างเงี้ยนะท่นอยไปคิดอะไรมากอย่าคิดว่ายันมันจะป้องกันอะไรได้เพราะคนเขียนยันเองก็ไม่แน่เสมอไป นะเพราะในโลกนี้เอาอะไรเป็นเครื่องมั่นใจว่าเราป้องกันอาบายได้บอกนี่ยอมเอาวันนี้ไปถูกหลอกหรือเปล่าแค่นั้นเอะถ้าแน่จริงก็ไม่ว่าอะไรกันนะถ้าไปไหว้พระธาตุเป็นต้นอาจจะเชื่ออยู่ว่าเออเพราะว่าเขามีในเรื่องเล่ามีเรื่องหนึ่งมีคนคนหนึ่งเขาห่มผ้าสีทองผ้าสีเหลืองห่มพระเจดีย์ใช่ตายแล้วไปตกนรกไปเห็นเปลวเพลิงเหลืองๆ เ, เหมือนกันเลยนึกผ้านั้นได้ก็เลยขึ้นสุขติไปเลยนะ เพราะฉะนั้นก็ยังยังก็ยังดีใช่ไหมเป็นนึกได้ตอน น, นั้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นไปหอมผ้าสีทองไ ว, ไ ว, ไ ว, ไว้บ้างไปจุดประทีปเอาไว้บ้างนลยนะพอมาชอบจุดเทียนส่วนหนึ่งครับพ่ออะไระเวลาท้าไปจริงอ่ะนะสมมตินะเวลาเพิ่มๆพเห็นเทียนกันเนอะโอ้ยแล้วจุติแ น, น่าจากนรกมันงอะไนะอา้าใครจะเชื่อว่าตัวเองพ้นนรกถ้าโสดาปฏิมรักไม่เกิดนะแอย่าทําเป็นมีมานะโอ๊ยฉันไม่ไปหรอกไอคนที่ไม่ไปนี่แหละส่วนมากไปนี่นะ ก็นะคิดว่าตัวเองไม่ไปเอาอะไรมารับรองว่าตัวเองไม่ไปเพราะไม่มีคุณธรรมมารับรองเลยมีแต่มานะมารับรองได้ไหมมานะเชื่อถือได้ไหมว่าป้องกันอบายได้ไม่ได้เนี่ยนะมันได้แต่เรียกอะไรนะโอ้อวดทําเป็นโก้ไปอย่างนั้นแหละแต่อยู่คนเดียวไม่ไหวมานะมากๆเนี่ยนะอยู่สงบสงบสบายสบายอย่างมีความสุขไม่ได้นะเอาไว้อวดอย่างเดียวนะคะเอาไว้ทําเป็นโก้เอาไว้ขี้โม้ไปอย่างนั้นเน่ยหมดไปวันวันหนึ่ง เพราะฉะนั้นชีวิตของผู้ที่มีศีลครั้นตายไปแล้วมีชีวิตอยู่ก็ได้รับการสรรเสริญตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้รับความสุขสมานัดในสวรรค์ย่อมรื่นเ ร, งเริงในที่ทุกสถานในโลกนี้อย่างชีวิตของเราทั้งหลายหลายคนที่มีชีวิตยืนยาวนานฟังคณะคนนี้อายุเท่าไรห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเป็นต้นนี่เป็นสมบัติของผู้มีศีลเนี่ย ถ้าเขาในอดีตไม่ได้เว้นจากการฆ่ามาเขาไม่ได้มีอายุยืนยาวขนาดนี้หรอกที่เขาถามว่าผู้นั้นเขามีสมบัติเท่านี้มีเครื่องแต่งตัวมีบ้านมีรถมีเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เพราะเขาไม่ได้ทําอธินาทานเจตนามาไปที่ไหนคนก็ต้อนรับเชื้อเชิญสวัสดีเป็นต้นเนี่ยนะก็แสดงว่าอดีตเขาเมื่อเว้นจากกาเมสุมิจฉาจานมา ทุกคนก็พูดถ้อยคำที่ดีพูดคำสัตย์คำจริงพูดคำไพเราะ ก, กับเขาแสดงว่าอดีตเขาเว้นจากการพูดเท็จมากรรมที่เว้นจากการพูดเท็จนำเกิดเขาเป็นผู้มีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดสิ่งเหล่านี้อดีตเขาเว้นจากการเดิมน้ำเมาคือสุราและเมรัยมาสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาเนี่ยได้สมบัติที่เขามีอยู่นั้นสมบัติที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี้เป็นสมบัติของผู้ มีศีลแต่ขนาดเดียวกันนะผลบุญเก่ากับเหตุใหม่คนละอย่างกันใช่ไหมผลบุญเก่าที่ได้รับอยู่กับเหตุใหม่คนละอย่างกันถ้าเหตุใหม่มีศีลเท่าเดิมก็อาจจะเกิดในเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมเป็นต้นแต่ถ้าศีล <toen groceries, S 2> ไม่ดีละ่ะก็ตกต่ำกว่าเก่าแน่มานในโลกนี้ในนะในมนุษยโลกหรือในอบายโลกอบายภูมินี้มีมีมากจริงๆนะ มันถ้าศีลไม่ดีก็ไปสู่อาบายนศีลเนี่ยจึงทําให้ร่าเริงใจทําให้ชีวิตยืนยาวอยู่ได้ไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขศีลทําให้เขามีโชคลาภเนี่ยนะทำรักษาทรัพย์เอาไว้ได้ศีลทําให้เขาเป็นผู้ที่ไม่มีศัตรูเนี่ยนะศีลทําให้ทุกคนพูดแต่คําสัตย์คำจริงกับเขาไม่ใช่บางคนเกิดมามันถูกหลอกทั้งชาติ เ, ยเคยมีไหม ยังมามีไหมลักษณะนั้นนะทุกผลของทุศีน์เกิดมาปัญญาอ่อนมาตั้งแตเกิดเลยนะนะีพวกนี้แหละเป็นผลของความทุศีล์เศษเบาๆก็ทําให้ฟุง้งซ่านแต่หลายท่านที่เป็นอยู่ที่นี่อดีตรักษาศีนไวด้ดีขนาดเดียวกันก็ยังมาตั้งมั่นสมาทานศีลศีลเหล่านี้ทําให้ร่าเรืองใจในที่ทุกสถานแต่ถ้าเดือดร้อนเมื่อไหร่ให้รู้เถอะว่าไม่ใช่ผลของศีลเดือดร้อนเมื่อไหร่ไม่ใช่ผลของศีล น, นะ ที่เรามีความสุขสําราญนี่เป็นผลของศีลที่มานั่งฟังทำอย่างมีความสุขล่าเนี่ยที่สบายๆเนี่ยเพราะเป็นผลของศีลนะถ้าไปทูศีลมาเชื่อนั่งอยู่ไม่กี่นาทีเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะตรงนี้ไม่มาคิดจะมายังไม่มาเลยนะเพราะว่าศีล น, นี่เป็นเหตุให้ให้เดือดร้อนท่านบอกว่าในโลกนี้ศีลเท่านั้นเนี่ยยอดอะนะเป็นเหมือนกับยอดอะนะก็คือที่มันสูงที่สุด และผู้มีปัญญาเป็นผู้ที่สูงที่สุดในโลกสรุปว่าศีลกับปัญญานี่สูงที่สุดศีลนี่คืออะไรสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นเหตุใกล้ของสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้ากล่าวถึงศีลแป๊บหนึ่งนะสมถะองค์มหกเท่ากับกล่าวแล้วและปัญญาสูงสุดคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะสรุปว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 สูงที่สุดเป็นยอดหรือสูงที่สุดความชนะในมนุษย์ในมนุษโลกความชนะในเทวโลกย่อมมีได้เพราะศีลและปัญญาชัยชนะเหล่านี้ได้เกิดจากอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพราะผู้ที่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ผด 8. ผู้บุคคลนั้นก็ทำให้อะไรชนะอบายโลกก่อนใช่ไหมเพราะไม่ต้องไปเกิดในอบาย ผู้ที่รักษาศีลดีอย่างนี้เนี่ยนะถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อย่างน้อยไม่เกินกี่ชาตินีไม่เกินเจดชาติดีเนี่ยนะนั้นใครที่รักษาศีลมาดีปั๊บเนี่ยเวลาเขานึกถึงศีนนี่เขาจึงมีความสุขลเลยเขาจึงนึกแล้วจึงเกิดปีติเพราะเขารู้ผลรู้อนิสงค์ของศีลเหมือนเราไปที่ไหนมีเงินทองติดตัวไปดีระดับหนึ่งพอเพียงแก่การใช้จ่าย ณนะที่ที่ไปนั้น น, นถามว่าใจร่าเริงไหมใจร่าเริงแต่ถ้าล้วงกระเป๋าไหนก็หายไปหมดเลยเนี่ยนะบางคนเนี่ ย, ยใจฟอเลยนะโดยเฉพาะอยู่ต่างประเทศด้วยนะล้วงหาแล้วก็ไม่มีเลยสักบาทเดียวเนี่ยนะอออะไรจะทุกข์ขนาดนั้นไม่มีแล้วนั้นบางคนเนี่ยนะมีไปเนี่ยก็ถูกเขาโกงถูกเขาขโมยไปโมดเนี่ยนะไปอยู่นะต่างถิน่นต่างแดนบางคนเนี่ยพูดภาษาเขาไม่ได้แนละไม่มีสตังติดตัวด้วยโยมว่าอะไรจะทุกข์ขนาดนั้นมีไหม แต่ก็ยังเบาวกว่าบาเยอะนี่น <c oughs> ท่านบอกพูดถึงในปกิณกากาคถาคำภีจริยาปิดกพี่กล่าวถึงผู้ที่เขารักษาศีลเนี่ยนะที่ศีลของพระโพธิสัตว์เป็นต้นท่านก็มีวิธีการพิจารณาศีลพิจารณาศีลและบารมีเพราะว่าศีลเนี่ยนะที่เป็นปัจจัยเพื่อบรรลุมรรผลนิพพาน ถ้าบรรลุได้ในชาตินี้ศีลนั้นก็เป็นศีลวิสุทธิ์ิแต่ถ้าเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลในภพต่อๆไปก็เรียกว่าศีลบารมี mm. ท่านบอกว่าขึ้นชื่อว่าศีลนี้เป็นน้ําชําระล้างมนทินคือโทสะอันไม่อาจชําระได้ด้วยน้ำไหนแม่น้ําคงคาเป็นต้นสรุปว่าน้ำแม่น้ําประปาชําระความโกรธได้ไหมบางคนก็บอกโอโกรธมากๆไปอาบน้ำซะก่อนให้มันเย็นๆหน่อยเผื่อจะสบายขึ้นอย่างงี้ใช่ไหม แต่ว่าหมายถึงว่าตัวตั ว, ตวความโกรธเองเนี่ยต้องใช้ศีลเป็นเครื่องชำระล้างศีลเนี่ยเป็นตัวที่กำจัดอันตรายจากราคะอันตรายที่เกิดจากโทสะอันตรายที่เกิดจากโมหะเป็นต้นซึ่งไม่สามารถเอาจันเหลืองเอาเครื่องอบ เ, อเครื่องแป้งอย่างอื่นมากำจัดอันตรายที่เกิดจากบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นได้นอกจากศีล เศียเป็นเครื่องประดับอย่างวิเศษของคนดีทั้งหลายะ น, น, นคนดีทั้งหลายเขาไม่ต้องพึ่งเครื่องประดับภายนอกมากเขาอาศัยเครื่องประดับคือเศียศีนเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่ไม่ทั่วไปด้วยเครื่องประดับของชนเป็นอันมากมีสร้อยคอมงกุฎและต่างหูเป็นต้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสร้อยคอต่างหูพวกมงกุฎที่มาประดับตัวเนี่ยถูกปล้นได้ แต่คนรักษาศีลเนี่ยนะไม่มีใครปล้นเอาศีลไปได้เพราะฉะนั้นเกล็นศีลเนี่ยนะจึงหอมฟุ้งไปในทุกทิศและศีลเนี่ยเหมาะสมในที่ทุกสถานเว้นแต่สมาคมคนพานสมาคมคนพานไม่ต้องงานคนทุกคนมีศีลใช่ไหมสมาคมนักดื่มไม่ต้องการคนไม่ดื่มไปนั่งอยู่ตรงนั้นสมาคมที่เมาไม่ต้องงานคนไม่เมาไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะไม่แน่นเอาไว้ลินเล่าก็ยังดี ท่านบอกว่าผู้มีศีลเนี่ยมีอํานาจอย่างยิ่งเพราะนํามาซึ่งคุณอันกษัตริย์มหาศาลเป็นต้นและเทวดาควรไหว้ผู้มีศีลเนี่ยกษัตริย์ต้องไหว้กษัตริย์ที่เรียกว่าเนื้อในแผ่นดินก็ต้องไหว้ผู้มีศีลเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ท้าสักกะแม้กระทั่งพรหมเป็นต้นก็ยังไหว้ผู้มีศีลนะโดยเฉพาะศีลในอรรยมรรคนะี่ยไม่ใช่ศีลธรรมดา ศซนเนี่ยเป็นแถวบันไดก้าวขึ้นไปสู่เทวโลกนะเวลาก้าวขึ้นบันไดบ้านเมื่อไหร่ก็นึกถึงก้าวที่หนึ่งเซนก้าวที่สองก็ศีลนะนะบันไดเนี่ยพาขึ้นสู่บ้านขึ้นสู่ตึกชั้นใดบันไดคือศีลพาไปสู่สวรรค์ชั้นนั้นเนี่ยนะแม้กระทั่งสวรรค์ชั้นจ่าตูมดาวเดืองยามาดุสิตเป็นต้นสวรรค์ชั้นเหล่านี้ได้ด้วยศีนเซนเนี่ยเป็นอุบายให้บรรลุฌานศีลเป็นอุบายให้บรรลุ อภิญยาเนี่ยนะทำให้เป็นผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายก็อาศัยศีลศีลเนี่ยเป็นอริยมรรคเป็นหนทางให้ถึงมหานครคือพระนิพพานอันนี้เน้นอุปมานะไม่ใช่ว่าคือศีลที่เรียกว่ามหานครหมายความว่าไม่เต็มอ่ะเขาพายนิพพานนี่เรียกว่านครเพราะไม่เต็มใครจะบรรลุพระนิพพานขนาดไหนก็ไม่มีคําว่าเต็มแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่านิพพานเป็นเมืองขวดเข่าลหรเมืองแก้วเมืองขวดใช่ไหม น, นะเราเกว่าเออนี่นะถ้าฉันไปสู่นี่ผ่านกลายของฉันก็กลายเป็นแก้วกลายเป็นขวดอันนี้ไม่ใช่นะคนละอย่างกันในะที่นี้ศซนเนี่ยเป็นภูมิที่ประดิษถานคือเป็นที่ที่ตั้งมั่นให้บรรลุสาวกโพธิให้บรรลุเป็นแบบพระอา น, นุนพระหมหากษัตริยพระมารสารบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นท่านเหล่านี้ถ้าไม่มีศีลท่านเป็นเป็นผู้มีคุณธรรมเช่นนั้นไม่ได้ ศีลเป็นที่ปฏิสถานทําให้พระประเจกพรพุทธเจ้าเกิดในโลกศีลเนี่ยเ ป, เป็นองค์ประกอบที่สําคัญหนึ่งในสิบที่ทําให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกศีลย่อมอยู่บนแก้วสารพัดนึกคือศีลเนี่ยคือตัวแก้วสารพัดนึกเพราะผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาะปัญญาปราถนาเช่นใดก็สําเร็จปรารถนาจะเกิดในสวรรค์ชั้นใดๆก็ สำเร็จเป็นต้นมันศีลเนี่ยจึงเป็นแก้วสารพัดนึกนะแล้วก็ศีลเนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับต้นกาละประพฤกผู้มีศีลปรารถนาสิ่งใดก็สําเร็จต้นกาลประพฤกเนี่ยเป็นต้นกาละเนี่ยโดยศัพท์เนี่ยมันเอ่อกับกับละประพฤกหรือกาละประพฤกเนี่ยนะจริงกาละเนี่ยเป็นภาษาเขมรนี่ต้นกาก็คือต้นราชอะไรนะราชพฤกดอกคูนอะไรกลุ่มเดียวกันอะไร ที่ที่มันเป็นพวงห้อยย้อยลงมานลยเรียงต้นอะไรนะต้นโคลนเนี่ยนะต้นคูห น, นะนคหรือต้นอะไรนะอีกต้นหนึ่งพวกราชพฤกกลมเนี่ยที่มันห้อยลงมาก็เหมือนกับคิดง่ายๆก็เหมือนกับเราไปในห้างสรรพสินค้าแล้วมันมีที่ห้อยๆลงมาให้ส อ, อสอยเอาสอยเอาแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสมบัติของผู้มีศีลผู้มีศีลก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สอยสิ่งเหล่านั้นได้ของที่แขวนไว้ในเนี่ยในห้างทั้งหลายในตลาดในประเทศไทยเนี่ย ของใครของคนมีทรัพย์ใช่ไหมใครมีทรัพย์ก็เอามาใช้ได้หมดแล้วทรัพย์เหล่านั้นถ้าไม่มีศีลมาก่อนได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างศีลข้องดเว้นจากอัินาทานทําให้เขามากด้วยพวกขทรัพย์แต่ถ้าคนที่มากด้วยอัินนาทานเนี่ยพอมีก็หมดเนี่ยนะรู้ว่าจะมีก็หมดแล้วอย่างงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือความทุศีลมันศีลเนี่ยเป็นอุบายทําให้ได้ปรารถนาทำให้ความปรารถนาปรารถนาสิ่งใดๆก็ สำเร็จอย่างที่ปรารถนาเชื่อไหมคนมีศินที่ปรารถนาเลวไม่มีหรอกถ้าขณะมีสิ น, นไม่ปรารถนาเลวอยู่แล้วเขาก็ปรารถนาสิ่งที่ดีดเพราะฉะนั้นความปรารถนาสิ่งที่ดีๆสําหรับผู้มีศีลจึงสําเร็จเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไ้ว่าศีลย่อมสําเร็จนายก็เนะรียกว่าศีลย่อมสําเร็จเพราะผู้มีศีลเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ คือผู้มีศีลทำให้จิตตั้งมั่นเมื่อมีจิตตั้งมั่นแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จอีกหลายเรื่องบางทีพระองค์ก็ตรัสอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากภิกษุหวังว่าเราเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่ยกย่องเป็นที่เคารพของเพื่อนสัพพมจารีภิกษุ พ, พึงเป็นผู้ทาความบริบูรณ์ในศีลทั้งหลายนั่นแหลถ้าเราต้องการให้คนดีเขานับถือเรานะเราต้องทาตัวให้เป็นคนมีศีล แต่คนเร็วไม่แน่นอนอย่าเอาเป็นประมาณเลยนะเพราะสมาคมเราไม่คิดจะค่นคนพาณแล้วใช่ไหมคนพานิสาทู่โดยบุญกุศลที่ได้เจริญก็ให้มันห่างเป็นรอ้อยยอดพันโยอดล้านโยอคนละพบคนละบูมคนละต่างคนละถิ่นคนละแดนอย่างนึงแต่หมายคขาว่าในที่นี้หมายถึงว่าปรารถนาจะให้คนดีเขายกย่องเราเราก็ต้องมีศีลถ้าจะให้คนมีศีลเขายกเราอ่ะนะเขานับถือเราเราต้องเป็นผู้มีศีล เป็นผู้มีศีล น, นั้นจึงเป็นที่เคารพยกย่องของผู้มีศีลทั้งหลายแล้วก็ผู้ที่มีศีลเขาจะนับถือผู้มีศีลด้วยกันเพราะศีลเนี่ยผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยก็อย่างที่เรารู้ฟังกันบ่อยๆศีลย่อมนำมาซึ่งอวิปปิสารอาวิปปิสาร น, นำมาซึ่ง ปรามโมดปรามโมดนำมาซึ่งปีติปีตินำมาซึ่งปัสสัตถิปัสสัตถินำมาซึ่งสุขสุคนำมาซึ่งสมาธิสมาธิย่อมนำมาซึ่งการรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิต จ, จึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นวัะนั้นก็ท่ามฐานคือศีลไม่ดีแล้ว่คุณธรรมทั้งมวลเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไร วันสีนั้นจึงเป็นที่ตั้งแห่งปีติโสมะนะัสตัวเองก็ไม่ต้องตำหนิติเตียนตัวเองผู้อื่นพิจารณาโดยใครครวนแล้วผู้มีปัญญาใครครวนสอบสวนโดยละเอียดทีท่วนแล้วก็ตำหนิไม่ได้ไม่ต้องรับภัยคืออาญยาทั้งหลา ย, ย, านะยนเนี่ยนะโทษพิษภัยของผู้มีศีลเนี่ยนะที่ได้รับพิทรับภัยได้รับการทุบ ก, การตีเป็นต้นเนี่ยนะที่เกิดจากผลของศีลไม่ใช่หรอก ศีลเนี่ยนะป้องกันจากอาจอยากคือความเดือดร้อนทั้งมวลศีลป้องกันจากทุกคติและก็ผู้มีปัญญาเขาก็พิจารณาศีลเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความปลอดภัยความสุขความสวัสดีในที่ทุกสถานศีลนี่จึงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมพผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยนะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการมีสมบัติอย่างอื่นมีอายุมีรูปมีฐานะมีพวกพ้องเป็นต้น เพราะฉะนั้นศีนี่เยี่ยมกว่าการมีสารพัดมันผู้มีศีลในโลกนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่สุดในบรรดาผู้มีทั้งหลายเพราะมีอย่างอื่นปลอดภัยแน่ใจหรือไม่แน่ใจใช่ไหมแต่ถ้ามีศีลน่ะโดยเฉพาะศีลระดับอริยมรดุด้วยแล้วนะพ้นทุกแน่เพราะฉะนั้นศีนเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งปีติโสมนะเพราะฉะนั้นปีติและโสมนะจะเกิดกับผู้มีศีนเพราะฉะนั้นศีนและสัมปทาของตน ใครที่รักษาศีลไม่ดีเนี่ยนะก็จะไม่ต้องเดือดร้อนใจมีอยู่ครั้งหนึ่งปุณณยักษ์จะฆ่าวิทูลบัณฑิตเนี่ยนะจนับวิทูลบัณฑิตเนี่ยไปฆ่าทำด้วยประการใดๆวิทูลบัณฑิตก็ไม่ตายแต่แล้ววิทูลบัณฑิตไม่โกรธไม่เสียใจไม่เดือดร้อนใจยิ้มอยู่นั่นแหละทีนี้ยักษ์ก็สงสัยว่าทำไมไม่เห็นท่านเดือดร้อนอะไรสักอย่างเราจะฆ่าท่านแล้วนะ บอกเราจะไปเสียใจทําไมเราไม่ได้ทําบาปกรรมอะไรเอาไว้ฉันไม่ได้ทําชั่วอะไรมาทำไมฉันต้องกลัวตายท่าต้องกลัวทําไมท่าะคนที่กลัวตายเนี่ยบอกตรงๆก็คนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าเรายังบอกโอ้ยยังกลัวตายอยู่นะให้รู้เถอะว่าเราไม่มีศีลอะไรเป็นเครื่องมั่นใจแต่คนที่เลวจริงๆก็ทําตัวเหมือนไม่กลัวตายเป็จริงก็กลัวจะตายอยู่เหมือนกัน <c oughs> กลัวจนถึงบางคนก็ปัสสาวะรวดเลยนั่นแหละแต่ว่าทําเป็นกล้าๆไปอย่างนั้น ทำหน้าให้คนดูว่าเราเนี่ไม่กลัวแต่จริงๆก็กลัวเนี่นะมันถ้าหากว่าความตายมันซื้อได้ด้วยเงินของใจคนเนี่ทุ่มเทมหาศาลใช่ไหมอย่างบางคนเก็บเงินไม่ทำไมบอกว่าเอาไวร้วรักษาตัวก่อนตายเผื่อมันจะมีอายุเพิ่มอีกสองชั่วโมงเผื่อมีอายุเพิ่มอีกสักวันสองวันหรือสักเดือนหนึ่ง ซื้อเดือนละแสนสองแสนก็ยอมเดือนละล้านก็ยอมบางคนเนยนะขอให้มันมีอายุอยู่ต่อไปอีกสักนิดสักหน่อยก็ยังดีรวบรวมทรัพย์ทั้งหมดเพื่อซื้อชีวิตก่อนตายเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็ยังดีนะนะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าโดยปกติแล้วซื้อสําเร็จไหมอ่านะหมดเงินก็ตายพอดีอนะในที่สุดก็อย่างว่านะผู้ที่ศีลไม่ดีก็เขาก็น่ากลัวจริงๆนะศีลไม่ดีมันก็น่ากลัวตายจริงๆ เพราะว่าสมบัติคือความเป็นมนุษย์เขาได้มาด้วยผลของศีลแต่เขาเกิดมาในโลกเขาไม่มีศีลเขาตายจากโลกนี้แลว้วก็จะเป็นอย่างไรเนี่ยนี่ยเขาก็ไปสู่คติของผู้ที่ไม่มีศีลเพราะฉะนั้นเวลายุงบินดังงง่เมื่อไหร่นะรู้ว่านะเพราะเจ้าไม่รักษาศีลดอกในอดีตเจ้าจึงมาเกิดเป็นยุงๆๆเนี่ยเนีแมลงวันไต่ตอมเป็นต้นก็เออเนี่ยเพราะเจ้าไม่มีศีล ตู้กแก่มาลองตู้กแก่เป็นต้นจริงจกเดินผ่านมานเงี่ยพระเจ้าไม่รักษาศีลนะในอดีตหมามันเห่ามาก็โอ้เนี่ยพระเจ้าไม่รักษาศีลนะในอดีตเพิ่นได้ยินเสียงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแหลกว่าพวกเจ้าไม่มีศีลนะีทะทีนี้เห็นคนทุศีลก็เหมือนกันน่าสงสารเขาจริงหนอเข้ามาด้วยผลของศีลทําไมเขาไม่รักษาศีลต่อไปศีลเป็นเหตุให้เขาอย่างน้อยที่สุดกลับมาเป็นอย่างเก่าก็ยังดีกลัวว่าจะไปเลวกว่านี้สิ นเนี่ยเพราะว่าโลกเนี่ยอันชารานำไปไม่ยังเยินใช่ไหมใครจะอยู่กับที่อยู่ได้ไหมนั่งนั่งันนั่งนั่งรออะไรกันเนี่ยนั่งรอให้มันแก่กว่านี้แล้วจะได้ตายแค่นั้นเอไม่ได้แช่งเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆส่วนผู้มีศีลก็อยากให้รู้กันนะว่าไม่ติเตียนตนเองวินจูชนไม่กล่าวโทษผู้อื่น ภัยเพราะอาจยาและทุกขติย่อมไม่เกิดวินยูชนทั้งหลายย่อมสรรเสริญว่าบุคคลผู้มีศีลมีทํางามความเดือดร้อนใดย่อมเกิดแก่ผู้ทุศีลคนทุศีลเนี่ยเดือดร้อนว่าเราเนี่ยไม่ได้เราเนี่ย ทำแต่ความชั่วไว้หนอเราไม่ได้ทำความดีไว้หนอเราทำแต่ความชั่วทางกายไม่ได้เว้นไม่ได้ทำความดีทางกายเราทำความชั่วทางวาจาไม่ได้ทำความดีทางวาจาเราคิดชั่วแต่ทางใจไม่เคยคิดสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทางใจเราได้แต่ฆ่าสัตว์ไม่ได้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์พวกนี้ระลึกแล้วก็เวลาก่อนจะตายเนี่ยชีวิตในอดีตเนี่ยระลึกจำได้หมดเลยจำถึงชีวิตที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นไม่มีใครจําชีประวัติตัวเองในแม่นเท่ากับคนอายุมากนะคนอายุ น, น้อยๆมัวแต่คิดเรื่องอนาคตหวังอนาคตใช่ไหมทั้งคนอายุมากๆก็จาประวัติเที่ยวเหินจะนั่งใกล้กับคนแก่นะคนที่เริ่มเล่าแต่เรื่องตัวเองในอดีตสมัยนั้นนะสมัยนี้นะตอนนั้นนะตอน น, นนะตอนนี้นะไม่รู้ว่ามันดีตรงไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าไอ้ที่เราล่าเาท่าๆ ท, ที่เราฟังฟังดูแล้วโดยมากถ้าตายนะไม่น่าจะไปดีนะนะเพราะไม่ค่อยได้เล่าว่าโอ้เนี่ยนะเจดี JD นั้นก็ไปกราบมา เจดีนี่ก็ไปสรรเสริญพุทธคุณที่นั่นก็ไปให้ทานที่นี่ก็ไปรักษาศีลลาวที่นั่นก็ไปดื่มเหล้าที่นี่ก็ไปอะไรก็ไม่รู้ที่ที่มันไม่ใช่ศีลน่ะ น, นะถามว่าถ้าพูดถึงย้ำอยู่เสมอแต่สิ่งเหล่านี้จะไปไหนดี <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่ทุศีลศีลไม่ดีเนี่ยนะชีวิตในบ้านปลายนึกแล้วก็เดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นไอ้ก่อนตายเนี่ยสาคัญที่สุดเลยชีวิตในพบต่อไปนะวัดกันที่ก่อนตาย ถ้าก่อนตายจิตดีจิตไม่เศร้าหมองจิตผ่องแผ้วจิตไม่ถูกอกุศลกลุ่มุมไม่ละลึกถึงความชั่วเป็นต้นสุขติก็หวังได้แต่ถ้าละลึกถึงแต่ความชั่วละลึกถึงแต่บาปที่เคยทำคาเลวที่เคยไปพูดความชั่วทั้งหลายที่เคยทำไว้เนี่ยนึกได้หมดเลยก่อนตายจะไปไหนนึกถึงกรรมใดตัวนั้นนาเกิดนึกถึงฆ่าสัต การฆ่านำเกิดนึกถึงลักทรัพย์โทษของการลักทรัพย์นำเกิดนึกถึงการเมการเมนำเกิดเพราะฉะนั้นนึกถึงความทุศีนข้อใดข้อนั้นนำเกิดขณะเดียวกันพยายามทำบุญเอาไว้เยอะๆให้เป็นปุเพกตปุญญตาไว้และลึกก่อนตายก็ยังดีนะว่ายังน้อยไว้และลึกก่อนตายจะได้ไปดีจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นผู้มีศีนเนี่ยนะก็นึกถึงนึกถึงที่ไหนพูดถึงใครก็ไปดี เพราะเราไม่ได้ไปทำความชั่วกับผู้ใดไม่ได้ไปทำอกุศลไว้กับวัตถุใดและอารมณ์ใดจะไปอบายได้อย่างไรเพราะศีลเนี่ยนะสรุปว่าเป็นประทัดฐานแห่งความสุขสวัสดีเพราะว่าผู้ที่มีศีลตั้งอยู่ในความไม่ประมาททำให้สำเร็จประโยชน์ที่สูงสุดประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ประโยชน์คืออะไรโดยเฉพาะประโยชน์คือพระนิพพานนั้นผู้ที่มีศีล น, นั้น สามารถรละลึกถึงตัวเอศีล เ, เ, เนี่ยนะอย่างที่ว่าเนี่ยเราทั้งหลายศึกษาพระพุทธศาสนาศีลที่เราได้มานี่ยแหละคือสมบัติที่เราได้จากพระพุทธศาสนาเรามีศีลแค่ไหนวัดเป็นเครื่องวัดว่าเราได้อะไรจากพระพุทธศาสนามาบ้างเนี่ยนะถ้าเราละลึกแล้วโอ้ได้ศีลมานิดเดียวแสดงว่าโอแบ่งสมบัติจากพระพุทธเจ้าได้นิดเดียวเองนะเป็นคนอนาถาอนาถาจริงเนาะเนี่ย น, นะอะไรนะเขาเปิด ขุมทรัพย์ใหญ่โตเลยมนะันไปเก็บเอาเศษอะไรมาสักสองสามชิ้นสี่ห้าชิ้นมาเนี่ยนะไม่น่าจะพอเพราะฉะนั้นสมบัติพระพุทธเจ้ามีเยอะข่าแต่พระองค์ผู้เป็นสักก็คือพระองค์ผู้มีทรัพย์มากผู้สมบูรณ์ด้วยโลกิยะทรัพย์โลกุตระทรัพย์พระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์คือศรัทธาศีลหิริโอต ป, ปะสุตะจาคขาปัญญาพระองค์ผู้มีศีลคือสติปัฏฐานเป็นต้นเราทั้งหลายในฐานะผู้ขอเป็นสาวก ปัฏิญานเป็นพุทธมามะกะนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเรามอบการถวายชีวิตนี้แด่พระองค์แบ่งสมบัติอะไรจากพระองค์มาได้บ้างเนี่ยนะที่เอาไว้ใช้สอยติดตัวต่อไปนีอยู่โลกนี้ก็อยู่ได้ไม่นานใช่ไหมจะต้องไปแน่นอนแล้วได้ทรัพย์สมบัติอะไรบ้างไปต่อในภพ ต, ต่อต่อไปจนกว่าจะพบพระพุทธเจ้าองค์ใหม่หรือมั่นใจบอกนี้ทุกโอบรรลุแนออ่านนี้ใช่ไหมก็นุมโมทนาด้วยนะจนพรหมดเวลาพอดี